ข้อควรทราบเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเข้าใจเรื่องที่สองเจโตวิมุตตกับปัญญาวิมุตตเรื่องวิมุตตได้พูดถึงบ้างแล้วในตอนว่าด้วยไวัยพ์ของนิพพานและภาวะของผู้บรรลุนิพพานแต่เห็นควรกล่าวถึงโดยเฉพาะอีกครั้งหนึ่งเพื่อช่วยให้เข้าใจความหมายชัดเจนตลอดสายยิ่งขึ้นผู้ศึกษาที่ไม่คุ้นกับภาษาบาลี ไม่พึงสับสนระหว่างเจโตวิมุตตกับปัญญาวิมุตตหรือวิมุตตซึ่งเป็นภาวะและอาการกับอุปโตภาควิมุตตและปัญญาวิมุตตซึ่งเป็นบุคคลวิมุตตที่เป็นภาวะและอาการสะกดดังนี้คือวอแหวนสระ อ, อิมอม้าสระอุตอเต่าและตเต่าสระ อ, อิซึ่งอ่านว่าวิมุตตหรือถ้ามีคำมาต่อท้ายก็จะออกเสียงเป็นวิมุตติ เช่นว ah si. <the> ิมุติยานัทสนะวิมุติสุขเป็นต้นส่วนวิมุตที่เป็นบุคคลสะกดดังนี้คือวัวแหวนสระอิมอม้าสะระอุต่อเต่าแค่นี้คือไม่มีตอเต่าสระอีเพิ่มในตอนท้ายอีกอ่านว่าวิมุตเช่นกันในที่นี้จะกล่าวถึงวิมุตวัวแหวนสะระอิมอม้าสะระอุตอเต่าต่อเต่าสระอ หรือวิมุติที่เป็นภาวะและอาการวิมุติหรือความหลุดพ้นนั้นในระดับสูงสุดใช้ในความหมายต่างกันแยกได้เป็นสมอย่างคือวิมุติอย่างแรกหมายถึงการหลุดพ้นกิริยาที่หลุดพ้นออกมาได้หรืออาการที่เป็นไปในขณะหลุดพ้นเป็นอิสระวิมุติในความหมายอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นมัก วิมุตต์อย่างที่สองหมายถึงความเป็นผู้หลุดพ้นคือความเป็นอิสระในเมื่อหลุดพ้นออกมาได้แล้ววิมุตต์ในความหมายอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นผลวิมุตต์อย่างที่สมหมายถึงภาวะแห่งความเป็นผู้หลุดพ้นภาวะแห่งความเป็นอิสระที่ผู้หลุดพ้นหรือผู้เป็นอิสระนั้นเข้าถึงและรู้สึกได้ซึ่งอานวยความดีงามต่างๆ มีความสุขสบายปลอดโปรง่งโล่งใจเป็นต้นและภาวะแห่งความเป็นอิสระเช่นนั้นที่ผู้ยังไม่หลุดพ้นกำหนดเป็นอารมณ์เช่นนึกถึงคํานึงถึงน่วงเอาเป็นจุดหมายในใจเป็นต้นวิมุติในความหมายอย่างนี้คือที่ใช้เป็นไวยพลดของนิพพานคือหมายถึงนิพพานนั่นเองอัตถกถาบางแห่งอธิบายว่านิพพานชื่อว่าเป็นวิมุติเพราะหลุดพ้นจากสังคตาธรรมทั้งปวง ไม่ใช่เพียงหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงอย่างไรก็ตามในความหมายสามอย่างนั้นข้อที่ถือว่าเป็นความหมายจำเพาะกว่าอย่างอื่นหรือเป็นเรื่องของวิมุตต์เองแท้ๆก็คือวิมุตต์ในความหมายที่เป็นผลและคำว่าผลในที่นี้ตามปกติหมายถึงอาราตผลคือความสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในเมื่อละสังโยชน์ได้หมดสิน้นจิตพ้นจากอาสวะทั้งหลายแล้ว ส่วนในความหมายที่เป็นมักก็มีธรรมข้ออื่นเป็นเจ้าของเรื่องอยู่แล้วโดยเฉพาะวิชาและวิราคะซึ่งมักหมาคู่กันกับวิมุตินี้โดยวิชาเป็นมักหรือไม่ก็วิราคะเป็นมักวิมุตเป็นผลส่วนในความหมายที่เป็นนิพพานวิมุต t ์ก็เป็นเพียงไวโพ์ซึ่งมีนิพพานเป็นคํายืนอยู่แล้ว